ปัญญาติทินังเศษถังนัทโศกเมนะนะัทปฏิยาปัญญายากุตรังเศษถังนิจังมรโรณโตพยันตีบัดนี้จากได้น้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมตราจา มาแสดงแก่ท่านทั้งหลายเพื่อส่งเสริมศรัทธาความเชื่อปาจจาราความเลื่อมใสในคุณประรัตนไตรให้ดียิ่งขึ้นไปจากจแสดงธรรมะเรื่องคุณความดีของปัญญาเพราะบรรดาธรรมะทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ ในกคมปรีศาจนามากมายความดีที่พระพุทธเจ้าตรัตรู้มีหลายเรื่องมีหลายอย่างเช่นตรัตรู้เรื่องทานเรื่องถีนเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องบารมีสิบเรื่องอนุตติจริงควนละลึกสิบประการเรื่องกัฏาวัตตุจ้อยรมที่กวนพูดสิบประการ เรื่องบุญยกิริยาที่ควรทำสิบประการแต่ดูว่าเป็นสิบสิบนี่แล้วก็เป็นคำปรีที่กว้างใหญ่ไพศาลพระใจบีดกหยิบยกขึ้นแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันในแปดหมื่นนั้นก็แยกออกไปหลายอย่างเช่นแม่น้ำดึงสาย คือปิงวังยุ่มน่านแล้วก็เป็นสายหนึ่งลงมาเป็นแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําเจ้าพยายังแยกออกเป็นบางกอกน้อยบางกอกใหญ่แยกออกเป็นลําคลองหลายอย่างที่แม่น้ําปิงวังยุ่มน่านไหลลงมาแยกออกมาเป็นหนองเป็นคลองแล้วก็เป็นบางมากมาย แล้วสองข้างทางมีบ้านเรือนผู้คนที่ริมน้ำมากมายอยู่กันมาจะไหนจะไรมาตั้งแต่สร้างเมืองจึงจแสดงเห็นว่าแม่น้ำหนึ่งสายแยกออกมาเป็นคลองเล็กน้อยคลองน้อยครองใหญ่เช่นบางกกน้อยบางกกใหญ่หรือหลายชื่อด้วยกันแหละ ธรรมะก็เหมือนกันแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่แยกออกเป็นพระวินัยเป็นพระพระสูตรแล้วก็เป็นพระพิธรรมคือเราไม่ต้องจำก็ได้แต่ให้รู้เป็นหลักว่าคำสอนมีมากมายเหลือเกินแต่มากกว่าจริงแต่ก็ย่อลงมาเหลือน้อยนิดเดียวแปดมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี่ย่อลงมาแปดอย่าง คือมักมีองค์แปดมักมีองค์แปดย่อลงมาสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเหลือหนึ่งอย่างคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทตัวเดียวนี่ถูกหมดแปดหมื่นสีพันพระธรรมขันธ์คำว่าไม่ประมาทนี่คือเตือนตัวเองว่า อย่าทำทุจริตทางร่างกายไม่ประมาททางร่างกายและประพฤกร่างกายที่ทุจริตประพฤติวจีที่เป็นทุจริตไม่ดีมาประพฤติวจีทุจริตที่ดีจิตใจที่คิดไม่ก้อยดีคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดอาฆาตมาดร้ายผู้อื่นให้มาคิดดีแต่อย่างเดียวรวมการพระ ทำวินัยนี้เป็นหมื่นหมื่นรวมลงอยู่ที่กายวาจาใจคือใจที่คิดกิจที่กายทำคำที่ปากพูดเรื่องอะไรที่เราจะทําด้วยปากคือการกล่าวการพูดการสนทนาเรื่องอะไรจะเคลื่อนไหวต่างกะทางกายยินเดินนั่งนอนเรื่องอะไรที่จะคิดต่างใจ เราต้องมีสติรู้ตัวว่าจะคิดเรื่องอะไรจะพูดเรื่องอะไรจะทำเรื่องอะไรพระพุทธเจ้าก็วางเป็นวงจากัดไว้ว่าเมื่อจะคิดให้คิดถึงคุณของพระองค์ให้มากแต่ไม่จะบยกพระองค์ว่าดีเลิศแต่ให้คิดเป็นสติเรียกว่าพุทธานุสติ นึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าสร้างความดีได้มากมายความดีพระพุทธเจ้าก็คือปัญญากุณลหมากรุณาคุณแล้วก็วิสุติคุณคุณพระพุทธเจ้ามากเก่งแต่ย่อลงสามอย่างคุณของพระธรรมที่ทำบุคคลไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทำใดทำคนให้เป็นคนดี อากุศลบาปธรรมใดทำให้เป็นคนชั่วเมื่อชั่วเรารู้ว่าชั่วเราก็ไม่ทำเราไม่พูดไม่คิดเพราะแรงเกิดของความชั่วสามอย่างเท่านั้นเองอเกิดกับปากเกิดกับกายเกิดกับใจเราจะเรียนวาระจิตกระบวนกจิตว่าจะคิดเนื้อเรื่องอะไรต้องมีส ต, ติรู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนั้น วาระจิตคิดคณะขณะหนึ่งมันคิดอยู่เป็นประจำเราต้องตามรู้ในใจของตัวเองว่าเราคิดค ด, ดีมีเ ม, ม, มตตกับตนและคนอื่นหรือไม่หรืออคิดร้ายคนใดคนหนึ่งถ้าคิดร้ายเรียกว่าใจไม่ดีใจเป็นอกุศลเราก็ไม่เอาเกืดอธรรมมา ท, ทั้งหมดเนี่ยเรียนเรือ่อ ให้รู้เรื่องกิตเรียนและศึกษาทั้งหมดจะให้เกิดปัญญาตัวเดียวถ้าปัญญาเกิดตัวเดียวนี่ศีลจะมาด้วยสมาธิจะมีด้วยอะไรอะไรบุญกุศลจะมาด้วยเพราะปัญญานี่ท่านเปรียบว่านักกัดเลิกดวงดาวในท้องขวานี่ดวงดาวในท้องขวานี่ยยิ่งข้างขึ้นข้างขึ้น เวลาวันเพ็ญท่านออกไปอยู่กลางแจ้งลองดูแล้วท่านนับได้ไหมดวงดาวมีประมาณเท่าไหร่ดาวมีชื่อดาวประหัต ด, ดาวเปรูโตดาววีนัท ด, ดาวมากมายในท้องควาเกลื่อนเวหาอากาศดาวมากมายจรงิงแต่ไม่สามารถทําแสงสว่างให้กับบรรยากาศของโลกได้แต่ดวงจันทร์ดวงเดียว ในวันเป็นสามารถเปล่งรัตมียโจช่วงชัตจวานทั่วโลกได้ดวงดาวนับเป็นหมื่นแสนล้านกดดวงทำแสงสว่างให้โลกไม่ได้แต่ดวงจันดวงเดียวทำแสงสว่างให้โลกได้นี่ทัานเปรียบเทียบว่าใครจะดีอะไรมั่งมีสีจบมียศสาบรรดาศักดิ์มากมาย ชู้ปัญญาตัวเดียวไม่ได้ถึงดวงดาวจะมากแต่ชู้ดวงจันท์ไม่ได้เราเรียนเราศึกษาเราต้องการตัวเดียวจะให้ได้ก็คือให้ได้ปัญญาเพราะปัญญาเนี่กินรวบมีปัญญาตัวเดียวเนี่ยดีหมดทุกอย่างปัญญารู้จักคิดรู้จักพัฒนารู้จักประดิษฐ์ประดอยที่ก็เรียกในยุคนี้นวัตกรรม หรือการผลิตเิ่งบางอย่างขึ้นใช้การผลิตคำพูดใหม่ๆที่ไ่อยเราะการผลิตการทำเป็นวัตถุเช่นว่าที่มีอยู่เดียวนี่นี่โทรศัพท์โทรโทรัศน์นี่ก็ผลิตขึ้นผลิตมันแปลกๆใหม่ๆแล้วก็มีภาพประกอบอยู่ในนั้นคนก็นิยมกันทั่วโลกโลกาการจับภาพการกดตรงนั่นตรงนี่นี่ ใครๆก็ติดใจแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางโลกนะไม่ใช่เรื่องทางธรรมเราจะผลิตธรรมะขึ้นเทิงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ผลิตเป็นครั้งแรกท่านไม่ได้ผลิตเป็นตัววัตถุไม่ได้เป็นเครื่องยนต์นกลไก่ท่านผลิตธรรมะในน้ำพระไทัยของพระองค์ที่ผลิตขึ้นได้เพราะท่านมีปัญญาจิตหรือมีจิตเรียกพร้อมไปด้วยปัญญา เราคิดไปไม่ถึงแต่ท่านคิดได้แยกได้รู้ได้ของที่ลึกเหลือเกินท่านรู้ได้ว่าลึกขนาดไหนของที่ดีกลับไม่สามารถจะรู้ได้ท่านรู้ได้รู้ดีกว่าคนอื่นทั้งหมดอดีตที่ผ่านมามีเรื่องอะไรของโลกท่านเล่าได้รู้ได้ว่าในยุคหนึ่งโลกผ่านมาเป็นร้อยโกรล้านปี มีคนเป็นอย่างนั้นมีความเป็นอยู่อย่างนั้นคนนั้นชื่อนั้นคนนี้ชื่อนี่คนนั้นชื่อนั้นเป็นกระดาคนนั้นได้เป็นปุหลักผู้ใหญ่หรือเป็นอันตรพานอะยรท่านเล่าได้หมดเลยเรียกว่าอดีตการที่ผ่านมาในอนาคตการพยากรณ์ได้ว่าต่อไปเบื้องหน้าเราทิ้นชีวิตไปแล้วหนึ่งปีจะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกนี้ ร้อยปีหนึ่งศตรวรรษยี่สิบม้าศตวรรษก็สองพันหร้อยปีต่อไปนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นกับโลกไควจะไหม้กี่ครั้งน้ำจะท่วมกี่ครั้งลมจะพัดกี่ครั้งคนจะก่อการเดือดร้อนกับสังคมจะเีรันควันแทงหลังเลือดกันในแผ่นดินกี่ครั้งท่านท่านพยากรไว้หมดแล้ว เพราะท่านมีปัญญารู้อนาคตอันไกลเรียกว่าอนาคตจังทยานปัจจุบันนี้ที่มนุษย์กำลังมีลมหายใจอยู่จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในเดือนไหนวันไหนปีใดท่านพยากรณ์ไว้แล้วข้างขึ้นข้างแรมจะมีเหตุการให้คนได้ตายมากที่สุดเหตุการที่คนนั้นจะมีความดีขึ้น คนนั่นจะต้องตกระกรรมลำบากอะไรเนี่ยพยากรไว้หมดแล้วทานทาั้งหลายนี่คือปัญญาคุณเราต้องการเรียนเรื่องปัญญาเพราะว่าปัญญาเป็นของสูงมาอันดับดึงที่เปรียบเทียบไปกวัางแล้วว่าดวงดาวจะมากมายประการใดเราเห็นระยิบระยับแต่ไม่สามารถจะมีแสงป่วยพุ่งมาให้โลกสว่างได้แต่ดวงจันทร์ดวงเดียว จะทำประกายแสงได้ทั่วโลกดวงจันท์เปรียบเหมือนปัญญาตัวเดียวเกิดขึ้นกับคนแล้วคนนั้นจะคิดเป็นคนนั้นจะพูดเป็นคนนั้นจะทำเป็นจะทำอะไรที่ดีๆได้แปลกหูแปลกตาแต่ปัญญานี่ท่านกําจัดไว้ในขอบเขตปัญญารู้เรื่องของจริงแต่ไม่ใช่เรื่องสมมุตินะ่ะ เรื่องสมมติในตัวเราในจังหวะยิงนั้นชื่อนั้นใจนั้นชื่อนั้นนี่สมมติมันไม่ใช่ตัวจริงเพราะสมมติเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนชื่อนี้เป็นชื่อโน้นก็ได้เปลี่ยนการหานจากหานนี้ไปเป็นหานใหม่ก็ได้เปลี่ยนจากคนธรรมดาขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินก็ได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีก็ได้ เรียกว่าเป็นตัวสมมุติแต่สิ่งที่ไม่ใช่สมมุติมันเป็นของมันเองคืออะไรที่พระพุทธเจ้าทรงทราบทราบจริงเถิดด้วยว่าโลกนี้ที่มนุษย์เกิดกันอยู่มีของกริงกํากับในตัวเองอยู่สามอย่างคือตัวเองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาร่างกายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความคิดนึกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาวิปริตแปลผันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่หยุดอยู่กับพี่ความคิดความนึกในหัวใจเพราะความที่ร่างกายและจิตใจมันไม่เที่ยงร่างกายมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอดเวลามันเปลี่ยนตั้งแต่เข้าคันบรรดาวันแรกเปลี่ยนมาคาว่าเปลี่ยนมาเนี่ยเกโตขึ้นจากเล็กเกโตขึ้น เป็นตารกธาริกาเป็นกุมารกุมารีเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท้าเป็นแก่เป็นชราภาพถ้าเมื่อเล็กเราถ่ายภาพตัวเองไว้เมื่อยามเป็นเด็กกุมารกุมารีถ่ายเอาไว้เมื่อายุยี่สิบห้าปีถ่ายเอาไว้แต่เมื่อายุแปดสิบปีถ่ายเอาไว้แล้วมาเปรียบันดูว่าเป็นตัวจริงหรือเป่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วผมได่เคยดำสนิทแล้วมันเปลี่ยนเป็นผมขาว เนื้อหนังมังสังที่เข็งตึงมีเิลี่ยนป่องใสกลายเป็นปิีวฟันหนังก็เหี่ยวลงไปสุขภาพปนามัยก็อ่อนแอลงไปนั่นคืออะไรนั่นคือความไม่เที่ยงของชีวิตจริงไหมถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงพระอรันก็ไม่เที่ยงพระปฏิเจ้าพพุทธเจ้าก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความเปลี่ยนแปลงนี่มาเร็วมากท่านทั้งหลายแต่ลองมองไม่เห็น เช่นว่าความเปลี่ยนแปลงของดวงอาทิตย์ตอนเช้าพอพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าเป็นเป็นแสงเงินยวงบอกว่าวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วแต่ยังเช้าอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นสายและบ่ายเย็นแล้วก็รอนเที่ยงแล้วก็อัจรดงคอดไปไม่หยุดอยู่กับที่เปลี่ยนตลอดเวลาพระอาทิตย์ส่องแสงเร็วเหลือเกิน ไวยคว้าที่เราใช้กันอยู่นี่ถ้าปิดสวิตช์แล้วมันทํางานไม่ได้ถ้าเปิดสวิตช์มันทํางานทันทีเลยปรากฏแสงทันทีเลยความเร็วของกระแสควาคว้าความเร็วของกระแสของอัศนิบาทคือคว้าผ่าเวลาคว้าคารามมันจะออกจากกรีบเมฆแล้วก็ผ่าลงไป ไม่จะผ่าขึ้นข้างบนมันผ่าลงลงมาพอมันกำลังนเดียวพอแลบนิดเดียวมันผ่าถึงดินแล้วความเร็วของขวาจะมันผ่าลงมาความเร็วของจิตใจที่คิดนึกคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้เปลี่ยนแปลงนีเน่เร็วมากท่านนักธรรมะท่านกังให้ดีถ้ากังดีจะมีปัญญาแน่นอน สายตาของท่านนี่พอท่านลืมตามองอะไรนี่เร็วไหมทั้งใกล้ทั้งไกลชุดสายตามันยังเห็นนะถึงไม่แก้งมันก็เห็นว่าสีเป็นสีเป็นแสงเป็นแดงเป็นดำเป็นใหญ่เป็นเล็กอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างช้ารพัดอย่างสายตานี่เร็วไหมเร็วลองปิดตาแล้วก็เปิดตานี่แป๊บเดียววิ่งไปไกลแล้วสายตาเร็ว พอพอกับคว้าผ่าเหมือนกันแหละเีนี่กระแสเสียงที่มาจากต่อผู้ใครทำเสียงอะไรรถมันวิ่งเครื่องบินมันมาเราได้ยินถึงอยู่ไกลมันก็ได้ยินกระแสเสียงนะมันก็เร็วเหลือเกินแล้วกระแสของอะไรอีกกระแสของรสชาติหรือความหอมนี่ความหอมของดอกไม้ความหอมของ น้ำมันบางชนิดนี่ที่ใครไปัาไปทาข้าวนี่มันจะหอมออกมาถูกจมูกมันก็เร็วเหมือนกันกลิ่นที่ปฏิกูลต่างๆที่ออกมาเป็นกลิ่นที่น้ำไม่น่ายินดีมันก็มาเร็วเหมือนกันลิ้นเราที่กระทบด้วยทิ่งถืออย่างหวานมันเค็มเลมจิมรสนี่มันก็รู้เร็วเหมือนกันพอถูกหวานก็ปล่อปลายลิ้นนี่เดี๋ยวมันรู้ทันที พอถูกมันรู้ทันทีพอถูกขมรู้ทันทีเจิดรู้ทันทีเค็มรู้ทันทีเปรี้ยวรู้ทันทีเผ็ดรู้ทันทีเร็วเหมือนกันทีนี้กายเราไปทํมผัสอะไรเข้าไปกายไปจับต้องของเย็นมันก็รู้ของร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็รู้ใจคิดนึกเรื่องอะไรก็เร็วเหลือเกินนี่ถ้าเราไม่สังเกตเรื่องนี้ปัญญาจะไม่เกิดนะ่ะถ้ารู้แล้วลองสังเกตเรื่องทางตาดีจริงไหม เดี๋ยวนี้จะทำได้เลยแล้วเป็นธรรมะว่าไม่นี่ละยอดแรงธรรมะนี่ละยอดแรงความจริงทำไมสายตามันเร็วเหลือเกินสายตาพยาแรงจะบินบนบนเหนือเมฆหนูมันยอมเห็นหัวตายควายตายมันจะกินตรงไหนแล้วจมูกมันทิพย์จะด้วยกินเหม็นเราไม่ค่อยรู้แต่พยาแรงรู้ แล้วก็มแมลงวีมแมลงวันพอมีของเหม็นมันรู้ยุงที่มันจะกัดได้มันรู้ว่าจะกัดตรงไหนใครยืนตรงไหนนั่งตรงไหนมันมีมีจมูกจะกลิ่นได้ทันทีเลยความเร็วในสรรชาติยานของสัตว์ที่ว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีตาจะดูรูปมีหูจะฟังเสียงมีจมูกจะดมกลิ่นมีลิ้นจะริมรสมีกายจะสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง มีใจอย่าคิดนึกดิเร็วเหลือเกินท่านทั้งหลายความเร็วทั้งหมดนี้นี่เขาบรรจุลูกกระสุนเข้าไปในในลำเปืนแล้วแล้วก็จะกดไก่ให้มันยิงออกได้พอกดไกยิงน่ะความเร็วของวิธีลูกกระสุนเนี่ยมันผ่าอากาศเร็วที่สุดไกลแสนไก ย, ยิงไม่ยิงวินาทีโดนแล้วถูกเป้าแล้วถูกคนแล้ว เขาแผลงฉอรยิงไปพออนนวงนนกันฉอรก็วนวลนวงสายก็ยิงไปโดนเหมือนกันความเร็วของต่างๆความเร็วของลูกกระสุนความเร็วของลูกฉอรที่ยิงไปความเร็วของตาที่ดูไปนี่ความเร็วย่องเห็นกันได้ แต่ความเร็วหนึ่งพระพุทธเจ้าสัไว้เร็วกว่านี้เร็วเด็ดขาดเลยว่ามีนกตัวหนึ่งเกิดข่าวพระเจ้าพระพุทธเจ้าสวยประชาติเป็นพยญาโยงทองท่านบอกว่าเราเนี่บินเร็วมากบินเร็วกว่าแสงอาทิตว่าแสงอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ากกบินล่วงหน้าแสงอาทิตย์ได้เวลาเขายิงมาในเราจับ ดอกจลอกลางอากาศได้เวลาก็ยิงเปินระจักลูกกระสุนกลางอากาศได้ความเร็วนกตัวนี้นี่เป็นนกเมีบุญแล้วก็รู้โลกมนุษย์ว่าใครทำชั่วทำดีนกนี้มองเห็นพระราชาองค์หนึ่งชอบดื่มน้ำจันน้ำจันบ้านเรากินเหล้า่ะแหละชาว ก, ก็กินเย็น ก, ก็กินเมาไม่ได้ตั้งสติเลย ทีนี้การงานของบ้านเมืองมีเยอะเขาติเกาะเคาะระคังต้องการให้ประชาชาออกมาตัดส็นว่าคนร้องทุกข์ท่านไม่รู้เรื่องจนประชาชนก็ราํร า, าคาญประชาชนควรจะบริหารประเทศอย่างดีแต่กลับเป็นกินเหล้าเมายาประชาชนกินแล้วก็ถูกตำรวจจับแต่ประชาชากินเหองไม่ต้องจับทีนี้นกตัวนี้นี่นกโพธิสัตว์ว่าเราเป็นสัตว์อย่างนี้ไม่โปรดมนุษย์ที่เป็น กระสัดแรกใคยจะปลดท่านได้นกตัวนี้จึงบินมาที่พระราชวังบินจวัดจเวีนรอบประสาทราชวังตอนนี้พระราชาสังเมาแล้วก็ทอดประเน่ไปเห็นนกนอกอยูงนะ่ะมีสร้อยสวยมีหางมีแววกระแแววมายุรามันบอกว่าแววใจคนมี ความฉลาดด้วยเฉลียวด้วยคนมีแววใจไม่ให่มีแต่ฉลาดต้องเฉลียวด้วยนกยูงเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคนเราต้องมีแววใจรู้คิดรู้นึกเพียงแค่ปัญญายังไม่พอต้องมีความสํานึกละเอียดละออเหมือนกับแววมายุราอย่างนี้เป็นต้นที่พระเจ้าตรัสไว้ พระราชาถามว่านั่นนกอะไรเขาบอกว่านี่แหละพญยายงทองขนเป็นทองคำหางก็ยาวแล้วก็มีแววแล้วก็ช่วยคอก็สวยทํายังไงอะนกมันชอบอะไรเขาว่านกยงมันชอบรำาจ็มันราแพ่นนะ่ะมันต้องราได้ทั้งวันเลยยิ่งแต่มีดนตรีมาประสานเสียงนี่มันจะราเป็นวันเป็นคืนเพราะมันชอบ มันชอบรำมันกลางกลางหางกลางปีกเกาไปพระราชาจึงถามว่าทํายังไงเนีนกตัวนี้มาหาเราให้ได้ให้ท่านไปหานักดนตรีมาแล้วก็ร้องเพลงประสานเสียงนกนี่ก็ชอบท่านก็ตั้งคอนไว้ให้นกเกาะคนก็ร้องเพลงประสานเสียงนกก็กลางปีกกลางลําแผนขึ้นราชาก็เข้าไปใกล้บอกว่า แกพูดได้หรือเปล่าวะปุ๊นกบอกว่าพูดได้ทำไมแกสวยเหลือเกินเนี่ยใครไปย้อมสีระบายบสีและคอมันเขียวเขียวบอกว่าไม่ได้ยอมเป็นธรรมชาติของท้าพรเจ้าเองและมาทําไมอ่ะนกก็บอกว่ามาเพื่อโปรดพระองค์อ่ะพระราชาว่าโปรดเรื่องอะไรอ่ะโปรดเรื่องที่ท่านทําอะไรบางอย่างที่น่าตาหนิในท่านคิดไอเดีมีอะไรไม่มีมนุษย์ไหนจะเตือนประราชาได้ ถ้าพรเจ้าเท่านั้นที่อุตรามมาจากป่าหิมพานต์มาเพื่อมาโปรดท่านมาโปรดเรื่องอะไรอะ่ะมาโปรดเรื่องท่านดื่มน้ำจันทร์ท่านกินเหล้าทั้งวันเนี่ยมันเหมาะที่ไหนความเป็นพระราชาพระราชาบอกเราชอบสิ่งชอบนั่นแหละทำให้ตัวเองชั่วได้หลายอย่างชอบขอโมยนี่ชอบข่าจัดนี่ชอบด่าชอบว่าคนนี่ อะไรนี้ถ้าชอบเพ่งไหนในทางชั่วกว่านั้นก็ชั่วมากนอกถึงว่าท่านทำชั่วมากมายถึงไม่ทำร้ายใครแต่ทำร้ายตัวเองเพราะเล่านี้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ห้ามวาไว้แม่ใครไปเตะต้องแม้แต่หยดเดียวท่านไม่ได้ดื่มเพียงค่อ ย, ยดเดียวไม่กระเวยหวยดเดียวท่านดื่มเป็นขวดๆเป็นตุ่มเป็นไหเลยน้าจันทร์ะเวยอย่างดี พระราชาเสวยเล่าอย่างดีที่กันกรองทําเรียบร้อยพระองค์เลิกเสียเถิดพระราชาว่าถ้าเราเลิกแกอยู่กับเราได้ไหมเพร่อไม่แน่เพราะคนเรารับปากแล้มันเปลี่ยนแปลงได้ะคนกินเหล้าจะไม่พู้เท็จไม่มีในโลกคนกินเหล้าจะไม่ขโมยก็กินไม่มีในโลกคนกินเหล้าจะเป็นคนอกตันโยไม่รู้คนของแผ่นดินไม่ว่าใครหน้าไหนแหละ คนกินเหล้าจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้แล้วก็ขยับยกกระดับไปถ่วงก้นมาคนกินยาบ้านี่หนักข้าวจะฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำอะไรอย่างแปลกประหลาดได้นี่ท่านทำร้ายตัวเองทำร้ายบ้านเมืองด้วยนี่แม้ท่านนี่เจ้าพูดหน้าควังนะแต่ที่มาพูดนี้ก็ไม่ใช่ว่ามาช้าเติมนะให้ท่านรู้สึกจริงๆแล้วถามว่านกนี่เจ้าดีอะไร ก็มเดยอยู่คือบินเร็วบินเร็วกว่าดวงอาทิตย์บินเร็วกว่าลูกกระสุนที่เขายิงเข้ามาเนี่ยถ้ารองไม่เชื่อไปเอาคนยิงปืนมาทั้งหกคนเนี่ยมายืนเรียงหน้าเลยแลยยิงข้าพเจ้าลูกกระสุนหกหกลูกที่ยิงมาก็ข้าพเจ้าจะจับได้ทันทีเลยข้าพเจ้าเร็วมากพระเจ้าว่าเราไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยเอาคนแม่นปืนเล้วยิงเผาขนที่ด้วย พอแลกวเลั่นระคังสามครั้งตรงนั้นก็กดปุ่มยิงพร้อมกันนกวาดทีเดียวกระชุนอยู่จับกระชุนได้แล้วมาวางไว้ที่เต็นต์ของยิงพระราชายังทรงถามว่ายิงแล้วอย่างคือสายตาไม่ทันนายโยมบอกว่ายิงเสร็จแล้วเรียบร้อยความเร็วของกระชวลความเร็วของนอกเลยจับกระชุนได้แล้วพระยาพระราชาทรงถามว่าอะไรเร็วกว่านี้กันนกบอกว่า อ้ที่เร็วนี่มันเร็วหล่หล่แต่เร็วดังเด็ดขาดคือความแก่นี่มาลงธรรมะเลยโยมความแก่เร็วขนาดไหนทุกคนนั่งอยู่ให้นึกย้อนอดีตเมื่อข่าวเป็นเด็กเห็นเด็กไหมเห็นตัวเองไหมที่กาลังวิ่งเล่นเล่นปุ่นเล่นทรายกำลังการโนตนารนันเล่นตุ๊กตานเห็นไหมล่ะที่เดินอยู่ตรงนั้น นั่งอยู่ตรงนี้จะกินนมแม่พอจําพอเดียงสาได้ไหมแล้วไอ้ภาพนั้นไปไหนหมดแล้วความเป็นเด็กของเราไปไหนหมดแล้วเมื่อสาวสาวท่านก็สวยเมื่อเป็นชายเมื่ไกลุ่มหล่อเหลออาเอวี่ยในความหล่อความเหลคาลความผิวพรรณดีไปไหนหมดล่ะเรียวแรงจะเคยกระหยันขันแข็งวิ่งเล่นเต็ดอะไรได้เดี๋ยวนี้ยังมีดังเดิมเริ่มมาอายุถึงสิบอาทีบหกทีบแล้วนี่อายุจนเจ็ดทีบนี่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาว เนื้อแน่นอยู่หรือเปล่าหรือเถืมถวยผมที่ขาวสนิทนั้นที่ดำสนิทไปไหนหมดแล้วมันถูกความแก่ทําลายหมดแล้วจากดำมาเป็นขาวร่างกายเมื่อกําลังเปล่งปลั่งเดียวนี้เท่นเอ็นขึ้นสะพรั่งทั่วร่างกายแล้วควันไปไหนหมดแล้วหลุดหมดแล้วโหทําไมไม่ค่อยได้ยินล่ะตาทําไมต้องใช้แว่นล่ะมันเปลี่ยนใช่ไหมล่ะมันเปลี่ยนคือความชรา ความเจรามาเร็วยิ่งกว่าสายตาดูความเจรามาเร็วยิ่งกว่าลูกกสุนที่ยิงไปพระราชาได้ยินดังนั้นท่านถึงวิสัญญีคือสลบว่าเราทาไมมีนกตัวนี้เราต้องหลงตัวเองไปนานหลงแก่หลงเจ็บหลงตายหลงอยู่กับโลกและหลงทําชั่วอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่สรางซาเราขอบใจจริงๆ เราเลิกแล้วไม่เอาแล้วเรื่องกินเหล้ากินมาเด่มน้ำจันแน่แต่เราขอร้องให้เจ้าอยู่กับเรานอกบอกว่าอยู่ไม่ได้วิถัยสัตร์อย่างนี้ต้องอยู่ป่าที่มานี้ธรรมทานอย่างเดียวให้พระองค์คำนึกตัวจะกลับใจหรือไม่กลับนี่เป็นเรื่องหนึ่งคนเราต้องฟังคำของผู้หวังดีใครใดเอ็นดูเราเราต้องทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดู ที่เรียกว่ากระยะว่ากยังอนุกรรมปกานั่งคนดีต้องทำตามถ้อยคำของผู้เอ็นดูถามว่าโลกนี้ใครที่เอนดูหลงมากที่สุดพระพุทธเจ้าเอนดูคนและสัตว์ทั้งหลายเนไม่ใช่เป็น ญ, ญาติของพระองค์แต่ท่านทรงพระกรุณาที่ยิ่งใหญ่พระราชาทรงเอ็นดูประชาชนท่านสอนให้ราโชว่าต่างๆ ใครไม่เชื่อใครไม่กังคนนั้นเวนกรรมหนาแน่นเพราะพระราชาดีมีพระวาจาที่สอนคนให้เป็นคนดีถ้าไม่กังพระราชาแล้วท่านจะอยู่ในแผ่นดินนี้ยากพ่อแม่มีความเอ็นดูโลกใครดื้อต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่น้ํำตาไหลหรือเจ้าโศกโศก อ, อาโดนลูกนั้นเรียกว่าลูกไม่ดี ใครใดไม่คารับครูบาอาจารย์ในสังสอนแนะนาท่านมีความเอ็นดูปรานีจึงสังสอนจึงตักเตือนถ้าไม่เชื่อจะไม่กังเพื่อนต่อเพื่อนเพื่อนที่ดีเอ็นดูเราเราทำผิดเขาเข้ามาเตือนต่อหน้าเลยว่าเพื่อนเอ้ยเรารักเจ้าคุณจริงนะจะไม่รักเราไม่เตือนหรอกเราขอเตือนเอาไว้การที่เตือนคนอื่นเหมือนชี้กุมทรัพย์ให้เขา คนที่ถูกเตือนต้องขอบคุณขอบใจขอบใจที่ถอนผมได้ขอบใจที่แนะนำผมได้ขอบใจที่ทําให้ ผ, ผมสําเนึกรู้สึกเป็นคนดีเพราะฉะนั้นคนไหนชี้คนไหนบอกคนนั้นชี้กุมทรัพย์กุมทรัพย์คือทรัพย์แห่งความความดีของคนต้องมาจากผู้เตือนผู้บอกคนใดโอนอ่อนผ่อนตามผ่อนตามคนเตือนคนนั้นเรียกว่าคนดี คนใดเขาเอ็นดูแล้วไม่ยอมตามของผู้เอ็นดูคนนั้นก็เรียกว่าดื้อดันทุรังโปรดไม่ได้คนไหนโปรดไม่ได้มักจะเป็นคนร้ายของสังคมที่มีอยู่เดียวนี้ที่จะต้องเดือดร้อนจะต้องปราบจะต้องจับจะต้องลงโทษเพราะดื้อต่อกฎหมายเพราะดื้อต่อคําพูดคําสั่งของพระราชาเพราะดื้อต่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า ควผู้ใดเป็นผลโอนอ่อนผ่อนตามน้อมรับคาตักคาเตือนคนนั้นเหมือนได้ผรสวรรค์อยที่ไหนก็จะเริญนรุงเรืองที่นั่นการสาธุชนคนดีทั้งหลายคนดีนี่เอาอะไรเป็นเครื่องหมายคนดีเอาปัญญาเป็นเครื่องหมายดังในพระเถิตว่าสาธุธรรมรุจีราชาพระราชาดีที่มีธรรม เป็นประราชาชแต่ถ้าไม่มีธรรมะ ค, คนไม่รักรลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำไมคนรักหล้นผลเหนือกว่าเหนือดินคนรักขยายต่างประเทศด้วยเพราะท่านรักประชาชนเพราะท่านเป็นคนดีไม่เบียดเบียนประชาชนมีแต่ให้มีแต่เถียสละแล้วคนจะไม่รักท่านได้อย่างไรทุกคนอยู่ในขอบเขต การปกครองดูแลของพระองค์ท่านถึงท่านไม่ช่วยเราโดยตรงแต่ช่วยบ้านช่วยเมืองอ้ไ้กินได้อยช่วยที่นั่นที่นี่ก็เท่ากับช่วยเราทุกคนนั่นแหละจึงว่าพระราชาดีที่มีธรรมะที่มีความกรุณาอันถูงต่งปัญญาวาปนาอุตโมคนดีที่มีปัญญาช่นานกวงไวท้ทีคนชั่วที่ไม่มีปัญญาแต่คนดีที่มีปัญญา คนมีปัญญาต้องเรียนต้องศึกษาต้องอบรมต้องฝึกฝนือนอย่างท่านทำกันอยู่มากี่กี่ปีกี่ทอดกี่ทอดบุคคลแล้วมาอบรมมากราบมาไหว้ท่านได้ดีได้ดีด้วยการฝึกด้วยการอบรมแล้วบางคนอบรมตั้งแต่เล็กๆนี่ยันนี้ก็เป็นหนุม่มเป็นราวจนเท่าแก่แล้วก็ยังอบรมอีกใครอบรมเรา คำสอนของพระราชาบ้างคำสอนของครูบาอาจารย์บ้างคำสอนของพระเจ้ามาเป็นอันดับหนึ่งที่สอนคนให้เป็นคนดีใครไม่ทําตามพระพุทธเจ้าเป็นคนดีไม่ได้คนที่ไม่ดีให้ดูเถอะเพราะขัดต่อคําสั่งคําสอนของผู้หวังดีเขาหวังดีเขาจึงสอนเขาจึงแนะนําถ้าเขาไม่หวังดีก็กระเฉยเฉยวจะดีกว่าเพราะว่าเสวเวลาจะไปหวังดีกับคนดื้อด้าน กับคนไม่สนใจในเรื่องความดีเพราะฉะนั้นคนดีเพราะมีปัญญาทีนี้มิตร ด, ดีที่ไม่ประทุษร้ายมิตรสามดีเลยนะพระราชาดีที่มีธรรมะนี่ไม่ใช่ของอาตมาของพระพุทธเจ้าพระราชาดีที่มีธรรมะไอ้นึกถึงในหลวงเนี่ยบางคนร้องไห้เลยบางคนพ่อแม่ตายไม่ร้องแต่ในหลวงเสียเจนประจัก็ร้อง ถึงไม่ร้องก็จะอื้นถึงไม่อึ้นก็อึ๊กอึกอึกๆึกก๊กอยู่ในอารมณ์นี่แต่ว่าออกมาเดี๋ยวอายคนแต่ว่าทนไม่ไหวแต่ละคนเนี่ยประรู้ความดีของพระองค์ท่านบางคนพอพูดถึงคุณพ ร, ระเจ้าแผ่นดินนี่มันจะร้องผาดโผออกมาด้วยเนี่ยมันะอื้นมันทนไม่ได้เพราะความดีมันมันมากเหลือเกินเหลือที่จะสรรหาพระนายหมดทิ้นได้เพราะฉะนั้น ความดีของพระราชาคือกรุณาสงสารประชาชนแต่ท่านไม่ได้พูดว่าเราสงสารพวกเจ้านะทาไม่ได้พูดไม่ได้ตรัสหรอกแต่พฤติกรรมที่แสดงออกที่ทำมาเนี่เกี่ยวข้องกับความกรุณาของพระราชาทั้งนั้นพระราชาดีที่มีธรรมะผลลัพธ์ตัดสินว่าถ้าคนดีคนต้องร้องเวลาเราตายวันพระพุทธเจ้าสิ้นประชนในทานทั้งหลายแผ่นดินร้องแม่น้ําร้อง ภูเขาร้องต้นไม้ร้องท่านไปอ่านในตำราเถอะเกือต้นมากรักไมใ้ใหญ่ๆเป็นพญาไมาน้นี่ร้องสั่นระริกเหมือนจะลม้มเหมือนจะแตกแยกกระจายไปเลยแผ่นดินร้องไห้แม่ทรณีทนไม่ได้เพราะว่าความดีมันมากมันหนักเหลือเกินแผ่นดินไหวนี่ก็คือคุณพระพุทธเจ้าหนักกว่าแผ่นดิน คือว่าพระเจ้าแผ่นดินคุณของท่านเหมือนแผ่นดินแผ่นดินมันกว้างมันใหญ่มันลึกจันใดความดีของพระราชานี่ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งนักใครใดนับถือใครใดกราบไหว้ใครใดปรนน์คนของพระพุทธเจ้าปรนน์คนของพระราชาพรนน์คนของคนที่มีคุณแล้วคนนั้นเป็นคนดีแน่นอนเพราะอะไรเล่าเพราะรู้คุณและก็ตอบแทนบุญคุณ เราไม่รู้จะตอบแสนบุญคุณอะไรกับผู้มีคนก็ทำคนทาความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเองตอบแสนคนพระพุทธเจ้าคือทำตัวเองให้ดีขึ้นตอบแสนคนของพระราชาคือทำความดีใ่ตัวเองให้มากๆอย่าให้ตกตำ่ำจึงว่าคนดีที่มีปัญญาเพื่อนดีที่เราครบะปัญญยนนี่ไม่หักหลังกันไม่ตรยดกันไม่นินทาว่าร้ายถ้า หนักข้าวเราก็ขอเตือนหน่อยเพื่อนนะเราเตือนด้วยความหวังดีคือหลักของคนดีนี่หลักของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระต่อพระต้องเตือนกันที่นี้คนดีต่อคนดีต้องเตือนกันแนะนํากันอย่าถือว่าคนอย่างฉันไม่ต้องมาเตือนหรอกฉันรู้ทุกอย่างอย่างนี้ขอไม่ทำกันในวงการของคนดีวงการคนดีก็อ่อนน้อมขอถ่อมตัวกาว่าถ้าเตือนผมขอบใจ ฉันขอบใจจริงๆสามารถเตือนได้นี่มันก็ชี้กลุ่มชับให้กับตัวเองในหลักการของมิตรีดีต้องโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันแนะนำประโยชน์ข้าวหากันแล้วก็สัมพันธภาพเป็นมิตรกัชับมัน่นไม่รู้จักใจกันอยู่นานวันก็จะรู้ขึ้นคนเราต้องมีมิตรีวากัรยานามิตร คนเราต้องมีสระหนัเรียกว่ากัลยาณสหารโยมีสหายที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีมิตรที่ดีเป็นที่พึ่งเราตกทุกข์ได้ยากเพื่อนที่รักก็มาให้ประลาประโลมให้เราพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราทรยศกับเพื่อนเราไม่มีมิตรอันเป็นมิตรที่ดีในโลกนี้เราก็เป็นคนอนาถาคือยากจนอย่างแรงเลยเราไม่ยากจนเพื่อน มีเพื่อนมีสหายไปมาหาจู่มีการเยี่ยมเยียมแจ่มใสเราครบกันอย่างมั่นคงก็เรียกว่ากลัลยาณมิตรกู่คิดกู่ใจกลัลยาณมิตรในกินร่วบนะกลัลยาณมิตรในบ้านเนี่ว่ามาตาปีตามาาัรดาปีดาเป็นมิตรในเรือนของตนแต่ในมิตรที่ดีคือสามีเราภรรยาเราที่เขาเอาใจเราได้ที่เขา อยู่ร่วมกันได้ไว้วางใจกันได้ไม่นอกใจไม่เจือจางในอารมณ์มีความรักหนักแน่นและก็มั่นคงมันก็เป็นความสุขแค่นิดเดิงถ้ากินแหนงแรงใจระแวงกันนี่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างเดืองทางอารมณ์นี่อย่างนี้เรียกว่าทรยศทางทางจิตใจกันแล้วเรารักใครครบใครต้องไม่แตกกันต้องมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่เราต้องทื่อสัตว์ตวจิต่อมิตต่อสงาย คนที่เรารักจริงเราเปิดเผ ย, ยความลับได้ว่าผมทําผิดนะแล้วไม่ต้องบอกว่าเพื่อนยอมไปบอกใครไม่ต้องบอกเพื่อนรักเราจริงเราผิดก็ผิดได้แล้วก็ใครดีเตือนเพื่อนเราเราตร่อต้านได้เลยเราว่าคนอย่าไปว่าเขาดี๋ยวเขาที่หายอะไรละ่ะแต่บางคนที่ไม่ที่ไม่ใจ่ม่แท้น่ะถ้าใครจีเตือนใครคนไหนคนหนึ่งก็ทะทำเติมหนักเข้าไปอีกนั่นไม่ใจ่มีแท้ถ้าม่แท้แล้วต่อต้านได้เลย ไม่ให้ใครมาดูถูกดูมินมิตรของเราถ้าเรารักพระเจ้าอยู่จริงใครตำหนิใครดีเยียนเราออกออกหน้าไปเลยใครดีเดียนพ่อแม่เราออกหน้าไปเลยนี่เปรียบเทียบนะถ้ามิตร ด, ดีต่อมิดดีนี่เรียกว่าคำประกันเราได้มาแวดล้อมเราให้อยู่เย็นเป็นถูกเป็นตัวกำแพงเป็นตัวเกราะอย่างดีเียังว่ามิตร ด, ดีนี่ที่ไม่ประทุดร้ายมิตร พันรยาดีไม่ประทุจร้ายสามีสามีดีไม่ประทุจร้ายพันรยาไม่ทําให้เขาหนอกใจเพื่อเราแต่ให้เขาสุขใจเพื่อเราให้ได้ในไหนก็อยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นมิตรดีที่ไม่พุทธโดยร้ายมิตรข้อที่สี่บาปความสุขอยู่ที่ไม่ทำบาปอย่าโยมให้ความสุภาขิตนี้ก็ได้ไม่ใช่ยกพูดเอง ชาตุธรรมรุจิราชาประชาดีที่มีธรรมะปัญญ า, าปัญโฉมโอคนดีที่มีปัญญามตตาดูโผมิตรดีที่ไม่เพิ่มจะไรมิตรป้าปัจจักกระนังทุกขกังทุกอยู่ที่การไม่ทำบาปไม่ใช่ทุกอยู่ที่หัวใจทุกอยู่ที่ไม่ทำบาปไม่ทำบาปแล้วต้องทำอะไรก็รักษาที่หน้านี่ ในทีน้ามันบาปตรงไหนบ้างแหละนเอามาดูทีไม่กล้าชัดบาปไหมมีเมตตาปราณีคนอื่นบาปไหมไม่ลักไม่ขโมยไม่โกงไม่เอาเปรียบคนนี่มันบาปไหมไม่ขโมยไม่เอาเปรียบไม่ไม่โกงไม่เอาเฉียบเอาคมกันนี่มันบุญทั้งนั้นเนี่ยสุขทั้งนั้นเราไม่ผิดลูกเมียใครเราผัวเดียวเมียเดียวแล้วมันมันไร้กาตรงไหนล่ะ ไอ้คนที่ยุ่งยงในสังคมก็เพราะเรนนี้แหละอยู่กันไม่ไว้วางใจกันกินแหนงแขรงใจกันแล้วก็บ้านแตกกระและแกลต้องแยกบ้านแยกเรือนแยกโลกกันเพราะไม่สํารวมในการเป็นอยู่ในการครองเรือนวาจาที่พูดนี่คนพูดนิ่มนวลคนพูดไพเราะคนพูดเป็นประโยชน์คนพูดที่พอขวังได้อย่างนี้ใครจะเกลียดค น, ดนุ่นนั้นคนนั้นจะทั้งบาปพระปากได้ยังไง บาปมันเกิดกับบากก็คือด่าว่ากระทบกระทั้งเศษสีหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นชุกอยู่ที่การไม่ทำบาปเล่ายากยาเมาของเสษติดแม้นิดเดียวเรา ย, ยังไม่ทำเราจะหาทุกที่ไหนล่ะมีความสุกและสุกเกินประกอบด้วยชุกเกิดจากการรักษาศีลขุดชุกเกิดจากการเจริญภาวนาทำสมาธิชุกเกิดจากการ กำหนดรู้ร่างกายว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตของเรานี้ย่อไม่ประมาทชีวิตให้เปรียบได้ว่าหนึ่งเหมือนน้ํำขางปลายยอดยาเกิดมาน้อยนิดเดียวร้อยปีก็น้อยนิดเดียวแล้วความตายเป็นเวลาไม่จํากัดโรคในร่างกายว่าจะตายโดยโรคใดก็ไม่จํากัดจะตายโดยโรคอะไรจะตายที่ไหนในน้ําบนบกบางทีเกิดบางทายไปตายอเมริกามา จากเมริกามาตายเมืองไทยร่างกายจะลงพังภาพนอนอยู่กับแผ่นดินตรงไหนก็หารู้ไหมเราจะตายด้วยดาบด้วยของดาบของแหลมของกลมเลือดเลือดออกยางตกหรือกว้าผ่าหรือผูกก็ตายเราไม่รู้ชะตากรรมของเราเราไม่รู้ว่าจะกะตายอายุต่อไร่ตายที่ไหนตายโรงพยาบาลตายในบ้านนอกบ้านมันไม่ไม่แน่เสมอร่างกายนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่แน่ สิ่งที่แน่ก็คือรักษาศีลเสียสิ่งที่แน่คือไหว้พระชวนมนต่องบนศาสนายหญไอ้ที่เราจำพรรษตอบสามเจ้าหน้าที่แล้วมาดูว่านี่ขอทำดีจริงๆนี่ขอชมเชยว่าที่นี้ด้วยว่าทั้งๆที่เราน่าจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรื่องศาสนางานการของท่านก็มากเหลือเกินแล้วที่นี่เป็นงานการที่รับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ท่านยังสละเวลาออกมาไหว้พระชวนมน ในวันพระมาะะแสดงธรรมประจำเดือนประจำปีอย่างนี้ทอดแสดงน้ำใจท่านว่าใจท่านสูงแน่นอนใจท่านมีปัญญาแน่นอนเป็นนโยบายประกอบความสุขของคนเพราะว่าถุขอยู่ที่การไม่ทำบาปท่านทำแต่บุญเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีชั่วชีวิตเด่ง น, นี่แล้วบาปกรรมจะมาจากที่ไหนละ่ะแล้วความทุกข์จะมาจากไหนละ่ะความทุกข์มาจากบาป บาปน้อยบาปใหญ่เพราะฉะนั้นบาปเราไม่ทำเราก็มีความสุขจึงเรียกว่าสุขอยู่ที่การไม่ทำบาปไม่ใช่ตรัสสุขอยู่ที่ใจนะสุขอยู่ที่ใจมันพูดได้แต่เอาจริงไม่ใช่สุขอยู่ที่การไม่ทำบาปไอ้ตอนนี้ขอแยกนอกเรื่องนิดเดียวเจ้าพระคุณสมเด็จสังราชองค์ปัจจุบันนี่เมื่อล่าวท่านเป็นสมเด็จมหาหมุนีวงกรรมวจามาสนิทกันมากแต่เราไม่ดีตัวเสมอท่าน มีเด็กไปนวดท่านเป็นประจำเราก็สั่งเด็กว่าถามพระเดชพระกุณสมเด็จหมายมูนิวงหน่อยี่ว่าความสุกอยู่ที่ไหนเด็กนี่ก็ไปถามท่านว่าวามันอยู่ที่ใจท่านก็ตอบถูกในความจริงสุกอยู่ที่การไม่ทำบาปเดี๋ยวนี้ท่านขึ้นมาเป็นสมเด็จพระสังฆราชมันก็หายาก ในชีวิตคนเกิดเป็นลูกชาวไร่ชาวนาขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในพุทธจักรพระราชาใหญ่ในราชานาจักรคือพระเจ้าแผ่นดินมีสององค์เสมอองค์หนึ่งครองพุทธจักรพระดาแผ่นดินหนึ่งครองราชานาจักรแล้วเกิดพร้อมกันพระเจ้าแผ่นดินใหม่แล้วก็สมรษังกราชใหม่และดวงชะตานี่อาจจะมาไม่ใช่หมอดูนะเรา พูดต่อหน้าท่านว่าสมเด็จ ม, หาหม้ามนีวงต้องเป็นสังฆราชแก้วายาพูดอย่าพูดอาตมาก็พูดว่าตามความรู้สึกของเก้ากระผมนะว่าพระองค์ต้องเป็นแน่ๆไม่มีใครเชื่อของอาตมานะไปเชื่อต่อเมื่อเป็นจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าขั้นตอนนี่ เมื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ทิ้นพระชน์องค์รองคือสมเด็จมหมาร่ำเลดมหาวีระวง์ที่วัดสมบันดวง์แต่ป่วยเช่นนี่สมเด็จพระอาจารย์ทิ้นชีวิตไปนี่แล้วก็สมเด็จองค์ปัจจุบันที่วัดบางน้นํานี่ท่านยังมีอะไรติดตัวอยู่ที่เขาว่าไม่โปรง่งใสเขาจึงไม่อนุมัติให้เป็นไม่จะว่าใครจะยกย่องกันได้ต้องผ่านหมหาเถรสมาคม คือคนจะดีจะดียกตัวเองไม่ได้เขาต้องดูรู้ประวัติของแต่ละคนแต่ละคนขึ้นครองพุทธจักอยิ่งใหญ่ต้องเลือกหาคนที่บริสุทธิ์จริงๆคนบริสุทธิ์จริงๆใครไม่ท้วงถึงได้ว่าเลือกขึ้นมาได้ยังไงให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในพระพุทธศาสนาก็ต้องเลือกอันดับหึงเพราะว่าบุญของท่านเนี่ ปู้นจะได้เอาตายเสียผู้นจะได้เอาป่วยเสียพู้นจะได้เอามีเรื่องเสียแล้วก็มาถึงขั้นบันไดาอาจจะจันบันไดของท่านที่จะยกระดับตัวเองขึ้นท่านก็ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ดีอกดีใจเลยนักหนาเขาเป็นผู้ใหญ่ทางคุณธรมแล้วแต่ที่นำมาพูดนี้ก็มาพูดเปรียบเทียบกับพวกเราพวกเราทาบุญเนี่ยบุญหนุนตัวเอง ไม่วันใดวันหนึ่งชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแม้เราแก่แล้วแต่เราก็จะมีความถูกยามแก่เมื่อจะราภาพแล้วเพราะบุญเก่าให้ผลสัตยาธิยโยมทั้งหลายบุญเก่าหรือบุญใหม่ที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้หรือทำมาแล้วนานเท่าไหร่มาไหว้พระสวดบ่นมาทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วก็บุญนี้กาลังก่อตัวเหมือนก้อนเมฆ มันเขาจะทําขนขนเถียมนี่เขาจังยิงเมฆเล็กๆให้เขา้ารวมกลุ่มให้เป็นก้อนใหญ่แล้วก็ยิงทีเดียวจะเป็นขนได้มากฉันใดบุญจะรวมกลุ่มในตัวบุคคลมาจากศียญบ้างมาจากทานบ้างมาจากไหว้พระถุบนบุบ้างหลายถึงได้อย่างถึงที่ถุดพอบุญเข้าเต็มที่ได้ว่าบุญฉนองพอบุญฉนองท่านจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองได้ทันทีเคยป่วยก็หายป่วย เคยลำบากยากใจก็มีความสุขขึ้นได้อย่างแปลก อ, อกแปลกใจนะให้ท่านสังเกตว่าพอบุญเข้าสวมเข้าให้สนับสนุนเรียกว่าบุญเข้าอุปถัมภ์แล้วนะท่านจะมีความสุขแต่ท่านต้องหาเหตุได้แล้ว่านี่เราสุขเพราะอะไรต้องไปพบจุดสําคัญต้นเหตุคือท่านรักษาศีลแน่นอนท่านรักษาศีลท่านไหวพระจวนมนต์นี่เป็นต้นเหตุแห่งบุญอันนั้นเหตุแล้วก็ น, นี่ พอบุญเกิดถูกเกิดมันเป็นผลทำอะไรต้องมีเหตุผลในตัวเองทั้งนั้นจั บ, บรรลุคนดีเนี่ยก็มีเจ็ดอย่างก่อนจะจบแระทำรรมาเทศนานะจะกล่าว จ, จะแสดงไว้ที่นี่คนดีแท้ๆต้องมีหลักเกณฑ์เนื่องทำมันอยู่ตาแปลว่ารู้จักเหตุว่าทําเหตุนี้เหตุนี้จะมีความดีอย่างนั้นอย่างนั้นเล็งผลเลิศของชีวิตได้ ทำเมตตรักษาศีลกุศลละเหตุเมื่อท่านทำกุศลละเหตุผลแห่งความถุกต้องเกิดที่ท่านมันหนีไม่พ้นอย่าไปเชื่อหมอดูเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าโลกนี้อย่าเชื่อใครเป็นนันขาดต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นทัพบรรยุทธยานเนื่องทำมัญญาตาทำเหตุนี้เล็งผลเลิศในข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดถ้าไม่เกิดก็เพราะกรรมเก่ามาขัดจังหวะ กรรมบางอย่างนี่อุปีรกรรมคือกรรมเก่าเข้ามาเบียดเบียนอุปฆ า, าตกรรมกรรมเก่าเข้ามาทําลายเขาทาลายได้ตามแรงของกรรมในโลกนี้ไม่มีอะไรสกปริิดเด็ดขาดที่จะเหนือกรรมไปได้ต่อยหรือสีจีไพรห่อเหิรนเดินอากาศก็เหนือกรรมไม่ได้กรรมนี้มีฤทธิ์เดช ท, ที่ทุดท่านทั้งหลายถ้ากรรมดีมีฤทธิ์เดชยังให้ผลไขว่ขวางไม่ได้ ต้องมีอันเป็นไปดีแน่นอนถ้าท่านรักษาเียอยู่นี่เรียกว่าเล็งผลเลิดโดยทรมัญญยูตาคือรู้จักเหตุว่าทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนั้นอันนั้นทรมันทีนี่อัดถันยูตาความรู้จักผลว่าผลปรากฏกับเราเราได้กินได้อยู่ไม่อดอยากปากแห้งนี่มาจากเหตุอะไรไม่ใช่ใครมาให้พรเราได้ให้พรนั้นพวกไปกับปากแต่พรจริงๆเราต้องทาขึ้นเองว่า นี่เราได้ดิบได้ดีนี่มาจากเราทำงานชื่อสัตว์โดจริญต่อหน้าที่มาจากเราทำบุญทำกุศลเราให้ทานเราสวดมนต์สวดพรนี่เรียกว่าอัดฉันยุตาความเป็นผู้รู้จักผลทีนี่อัดตันยุตาอันนั้นอัดันอันนี้อัดตันอัดตันยุตานี่รู้จักตัวเองรู้จักได้ยังไงว่ะเราว่าโดยชาติตระกูลยศศักดิ์สมบัติความรู้ และคุณธรรมของเราเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วเราปรับพรึกตนได้สมควรแต่ที่เป็นอยู่อย่างไรเรามีหน้าที่เป็นเจ้านายเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในการการปกครองหรือรับผิดชอบในการงานเราต้องรู้ว่างารตำแหน่งนี้มันเหมาะ ก, กับเราแล้วคุณสมบัติของเรามีแค่ไหนว่าโดยคุณสมบัติว่าด้วยภูมวุฒิของเราเรียนจบอะไรมาว่าด้วยชาติกูลของเรามาจากไหนต้องรู้จักตัวเอง เช่นว่าเรามาจากวงการจัดต้องวางตัวอย่างดีกับประชาชนเรามาจากชาวไร่ชาวนาก็วางตัวอย่างชาวไร่ชาวนาเราเป็นพระก็อยู่อย่างเป็นธรรมณะตามที่พระเจ้าสอนเราเป็นการณ์ผู้ดีก็ต้องทําตัวดีตามหน้าที่ตําแหน่งของตัวเองเรียกว่าอัดตดันยุตาเราว่าโดยชจ้าตระกูลยศจักสมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้ว ปรับเรื่องตนได้สมกวรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไรต่อไปมัดตันยุตาความเป็นผู้รู้จะพาในการจับจ่ายจะกินเท่าไร่จะใช้เท่าไร่จะนุ่ ง, งมเท่าไหร่เป็นหน้าที่ที่จะบริหารเหินก้อนนี้ให้ได้จะแยกออกมาเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องนุ่งเรื่องหม่มเรื่องรักรักษาตัวเรื่องทาบุญทาทานนี่เราต้องรู้จักประมาณว่าควรจะใช้สอยขนาดไหนกินนี่ การลันยุตาความเป็นผู้รู้จกักการเวลาอันทมกวนในอันประกอบกิจนั้นๆการเวลานี้ตอนเช้าเวลาสายบ่ายเย็นมันมีการเวลาของมันเองการนี้เราจะทําอะไรอย่าให้สับสนการข้างหน้าอย่าไปจําข้างหลังกลางข้างหลังอย่าไปรําข้างหน้าเรียกว่าสิ่งสิ่งเกิดขึ้นเฉพาหน้าไม่ปัดไม่ปัดดอกต้องรับผิดชอบสิ่งที่ยังไม่ถึงไม่คว้าออกมาต้องทําสิ่งเฉพาะหน้าให้ได้ เพราะท่านมีงานสาคัญผูกมัดตัวเองอยู่วันๆเคิร์นๆนท่านต้องทําให้สาเร็จที่จริงท่านก็ทำสาเร็จแต่นี่เราพูดหลักว่าหลักนี้ท่านทําถูกเมื่อทาถูกเราภูมิใจใช่ไหมถ้าทําถูกไม่ผิดแน่ถ้าทาถูกไม่ผิดด้วยแล้วก็ฉุกใจด้วยว่าเราเต็มภูมิแล้วเต็มกับหน้าที่การงานของตัวเองเราไม่ผิดพลาดเรื่องการหลั่งยุตาประกอบการงานพอจมควนแกนการเวลาในอันกอบกิดนั้น ปาริสัญยุตารู้จักประมาณตัวบุคคลที่เข้าประชุมนาะที่ไหนเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมให้ได้สังคมนี้ก่อนนิยมทำอะไรกันล่ะนิยมทำหน้าที่ บ, บ, บริทุทูผุดพองในการงานใช่ไหมเขาทำหน้าที่ไว้พระจัว ม, มัลเราเข้าไปในกลุ่มนี้ต้องทำตามเขาไปทำตามคนดีในสังคมนั้นๆแต่ทำตามคนชั่วไม่ได้ไม่เข้าสังคมเลย ต้องไปในทั้งคมคนดีว่าคนนี้เป็นคนดี ค, นครครอบคนนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครอบเป็นต้นคำว่าไม่ควรครอบเราไม่ใช่รังเกียจเหยียดหยามเขาหนาคือเราไม่เอาอย่างเราไม่ทำตามนี่หลักเกณประการเป็นหลักของพระพุทธเจ้าที่คนทั้งหลายศึกษาเช่นว่ารู้จักเหตุรู้จกักผลรู้จกักตนรู้จกัจกประมาณรู้จักการเวลารู้จกักว่าอ่านได้ออกบอกได้ไดว่าคนนี้ถ้าเราคอบเราได้ดีแน่ คนนี้ถ้าเราครบเราเติมแน่นอนถ้าครอบคนดีก็พลันดีเด่นขึ้นถ้าครอบคนชั่วกับพลันตกต่ำแน่นอนเราต้องดูให้ดีๆน่ะนี่ปาปมิตรครอบไปแล้วได้ทำบาปกับเผานี่กัลยาณมิตรครอบไปแล้วได้ทำดีกับเผาแล้วเราต้องเลือกเป็นใครเลือกให้ไม่ได้ละเราต้องเลือกเองว่าจะครอบกับใครจะไปทุระไว้วางใจอะไรนี่ก็ต้องดูตัวบุคคลอ่านในออกบอกให้รู้ และเข้าใจทำทั้งหลายเหล่านี้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างตั้งแต่เริ่มตน้นเรื่องของชีวิตว่ามันเร็วคืออะไรคือความแก่ความเร็วจะยกตัวอย่างเห็นแล้วว่าทู่ความแก่ไม่ได้ที่เราไม่เห็นเพราะมันละเอียดละอในอารมณ์ในจิตใจในร่างกายเราเองแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ต้องรู้ว่าชีวิตต้องแก่ต้องไหลไปสู่ความชราภาพเมื่อจะรานักเข้าเราไปที่ไหน ไปสำนักมัจยุราชเขาต้องเอาเราไว้แน่นอนและด้านทั้งหลายคนทั้งโลกนี้เกิดกับตามาเป็นของกู้กันคนทั้งโลกนี้เกิดแล้วต้องมีกรรมติดตัวไปถ้าใครทําความดีความดีก็ติดตัวไปใครทําชั่วกะชั่วจิตตัวไปถ้าเรียนได้อย่างนี้ศึกษาได้อย่างนี้เราจะอยู่ในสภาพไหนความเป็นอยู่ก็จะไม่ตกต่าสุดท้ายนี้ก็อ้าง อ, อกคุณพระตรีรัตนไตร คือประพุทธประจำประสงค์ถึงตัิตดในสากลลโลกจงมาบรนโดยประดาในท่านจังหลายถูกทรมบูร์ด้วยอายุวรนน้าถูกขับละปราตนาจำลองประสงค์สิงใดคือกุบกระพับอนาคตท่านอย่าได้ป่วยไข้อย่าได้ทุกข์ร้อนเรื่องใดๆอะไรที่เป็นความดีคืออายุมั่นขวัญยืนมีกินมีอยู่เหลือกินเหลือใช้มีความสุขสบายอย่าได้อนาทรร้อนใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยพรทั้งหลายลงนี้จงสำนิตแก่ท่านทั้งหลายชั่วกาและนานรับประทานวิจจรนาธรรมะก่อพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการเจนีสาธุ